หน้าเก่าๆทั้งนั้นนะ <c oughs> ไ่ไหนก็เจอหน้าหน้าอย่างนี้แหละที่จริงคนเข้าวัดมีจํานวนไม่มากมีนิดเดียวสถานที่แห่งนี้นะหลวงพ่อเคยมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสร้างที่นี่เมื่อก่อนมีการอบรมกรรมฐานครูบาาจารย์วัดป่าทัานมาในที่บ้านหลวงชินในหมู่บ้านเนี้ แต่มาบ้านหลวงกินไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสืสบต่อกันมาเรื่อยๆมีอยู่องค์หนึ่งคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ อ, อคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยสั่งต่างกันต่อต่ อ, ตอมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ทิงสถานที่นี้อันนี้ที่นี้ทําประโยชน์ให้กับคนมากนี่หลวงพ่อเอง ตอนไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางสารุญชินโยมที่กิตติโยมที่ติ๋วทีว่ติ๋วรูปรูคินเคยไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี่หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นซ้ำใหม่เทเลอร์สลามมันคงไม่ดีน่าเกลียดนี่ตอนนี้ผมวงพ่อย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศรีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจำถากวพ่อก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชาเปยากอดีพวกเด็กกลางทำพุทธนาคุณอะไรพวกนี้ไปให้มาช่วยสอนในกรุงเทพที่แรกจะชวนไปที่บันา น, น่าเนะี่มาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือ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 ที่จริงแล้วคนก็สแสวงหาทางคนทุกข์มาตลอดใครๆก็อยากคนทุกข์ทางนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็สแสวงหาทางคนทุกข์กันกระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็สแสวงหาทางคนทุกขอ์ออกมันี่การสแสวงหาทางคนทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่ยมันก็สแสวงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางคนทุกข์ด้วยการสเสพสุข แสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นรุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรสวยๆดูไปทัศนจรไปหาของอร่อยๆกินแ ก, ก้รุ่มหรือไปคิดอะไรให้เผลิๆเปรือปอป่อนๆ น, นี่ก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งหาความสุขอย่างโลกๆหาความสุขโดยอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ วิธีหาความสุขอย่างนี้พวกสัตว์ในฉันก็ทําเป็นเช่นมันหิวขึ้นมาก็ไปหาอะไรกินกินอิ่มแล้วมีความสุขนี้ต่อมาคนมีสติปัญญามากขึ้นเห็นว่าลำพังวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่สุขจริงหรอกต้องเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเรื่อยๆมันขึ่งพิงสิ่งภายนอกมากไปหลายคนก็เลยมาหาความสุขทางจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะพวกเข้าวัดทั้งหลาย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 ตับสนองกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขการหาความสุขอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเรียกว่าอากุญญาที่สังขารหรือเป็นความสุดโต่งในข้างที่เรียกว่าการมาสู่ขันริการุโยกตามใจกิเลสแล้วมีความสุขอย่างที่สองที่คอยควบคุมคอยบังคับตัวเองอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกุญญาที่สังขารหรือเรียกอัตตกิรมธานุโยค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 นี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมท่านบอกว่าระดับใจที่ยังปรุงแต่งอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแก้ปลายทางท่านตรงจุดจริงๆก็คือตัวตนมีไหมเข้ามาศึกษาศึกษากายศึกษาใจของเราเองจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็าปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้ละอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ ความไม่รู้อริยสัจ ข, ข้อที่หนึ่งความไม่รู้ทุก natural, คือเราไม่รู้ว่ากายนีใน้ใจนี้เป็นตัวทุกเราคิดว่ากายนีใน้ใจนีน้นนคือตัวเราเป็นตัวดีเป็นตัวดีตัวตวิเศษเราก็ต้องดิ้นรนอยากให้มันดีไปเรื่อยอยากให้มันสุขไปเรื่อยอยากให้มั น, นพ้นทุกไปเรื่อยแต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้รู้เข้ามาที่กายรู้ลกเข้ามาที่ใจในวิธีการของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจตัวเอง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 จิตเดี๋ยวก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับไปเกิดทางใจแล้วก็ดับไปมิตรของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้เห็นความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวร อ, อะไรความริ้นรนที่จะให้จิตมีความสุขความริ่นรนที่จะให้จิต้นทุกข์มันก็จะสลายไปความ้นทุกข์ที่แทจ้จริงเกิดจากการที่จิตใจของเราฉลาดรู้ความจริงของกายของใจจนมันหมดความริ้นรนการที่เรารู้กายรู้ใจถ้าเรียกว่ารู้ทุกข ครูบาจารย์สอนมานะอย่างหลวงปู่เทศเคยสอนบอกรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราละละสมุทัยคือละความดิ้นรนใจมันจะเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหาความสุขเลิกริ้นรนเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ใจที่มันเลิกดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรดนิโรดหรือนิพพานนั่นเอง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 ให้มีสติรู้ลงที่กายรู้รลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองมีเท่านี้เองคุูบาอาจารย์รุน่นี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะเป็นเสาหลักของสายวัดตาเรารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนี้ทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ตัวนี้เรื่องสําคัญเราต้องเรียนต้องค่อยๆศึกษาเราจะรู้สึกว่าเรารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่แล้ว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 นี้ทำไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้กายรู้ใจเรามีสองอย่างศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือาการที่เราหลงไปอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละศัตรูหมายเลขหนึ่งถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้ทันว่าใจเราไหลไปคิดแล้วเมนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันตื่นในฉับพลันเเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราจะตื่นในฉับพลันธรรมะเนี่ยไปเข้าถึงแล้วจะอุทานบอกว่าอัศจรรย์จริงๆ อัศจรดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบคนจะบูทานานะอัศจรจริงจริง แ, แจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าไม่แจ่มแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับสนนักพระเจ้าข่าน ะ, แ, ะแจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่อมให้หงาของง่ายๆพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยาก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 ธรรมะมันลงกันนะสายไหนก็เหมือนกันแหะถ้าทําถูกต้องก็อันเดียวกันหลวงพ่อเตียนท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตชิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตชิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตชิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันในโลกนี้มีแต่คนที่รู้เรื่องที่จิตชิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่งั้นหน้าที่ของเราคอศึกษาคอยสังเกตตัวเอง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 ถ้าเรารู้ทันวัาใจเราไปคิดแป๊บเดียวขนาดจิตนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพันเลยเพราะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงในฉับพันทันทีที่เราสื่อขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความจริงแล้นถ้าสติเราเรกรู้กายเราจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นภูมบังคับไม่ได้ อย่างคนทั่วๆไปจะลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจจะไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนเราบอกว่าคันท่าเป็นทุกข์กายกใจเป็นทุกข์คนทั่วๆไปไม่มีใครรู้สึกหรอกว่ากายกใจเป็นทุกข์กระทั่งพวกเราในท้องนี้นะสิ่งที่พวกเรารู้สึกก็คือร่างกายนี้เป็นสุขบ้าง <S <S เป็นทุกข์บ้างจิตใจของเราเป็นสุขบ้าง <S <S เป็นทุกข์บ้างนี่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์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 เราจะเห็นเลยว่าเรานั่งอย่างสบายๆแต่เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยนะนั่งแต่เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยพอเมื่อยแล้วเราทํำยังไงเราก็ขยับตัวเราเปลี่ยนอิริยาบทนะพอเมื่อยปุ๊บเราก็ขยับอัตโนมัติเนี่ยเพราเราหนีความเมื่อยด้วยวิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วเราไม่เคยรู้สึกเลยพอเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวปั๊บความเมื่อยหายไปนะเรารู้สึกไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยแต่เดี๋ยวความเ ม, มื่อยก็ตามมาทันอีกแล้วก็ขยับอีกนะนั่งอยู่ก็นั่งขยับไปเรื่อยๆ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 ที่หลวงพ่อบอกให้หัดหเมื่อี้นะนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ดูใจมันไปดูนะไปดูอาศัยตาเป็นทางผ่านไปดูรูปอาศัยหูเป็นทางผ่านไปฟังเสียงอาศัยใจเป็นทางผ่านไปคิดตาหูจมูกลิ้นใจใจทํางานหมุนจี๋จีอยู่ทั้งวันอย่างนี้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตแจขงเราหาความเที่ยงแท้อะไรไม่ได้นะใจเราวิ่งคลานคลานตลอดเวลาใจเราถูกความอยากหยิบค้ำอยู่ตลอดเวลานะ เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี่รวมทั้งอยากปฏิบัติอยากฟังทำอยากไปวัดนะอยากมาสาราลุงชินความอยากเนี่ยมันบงการเราตลอดเวลาถ้าเราคอยรู้อยู่ที่ใจเราเราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เคยเป็นอิสระเลยจิตใจเราเป็นที่ฆ่าของความอยากตลอดเวลานะถ้าพูดอยากอยากมันเหมือนเป็นที่ฆ่าเป็นทาสเขาตลอดเวลามันสั่งเราทั้งวันนะสั่งอย่างโน้นสั่งอย่างนี้เราก็ต้องทําตามมันเช่นมันสั่งให้ไปเที่ยวเนี่ย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 มันสั่งให้จีบสาวพักคนหนึ่งนะได้ไปจีบสาวหนึ่งคนมีความสุขละพอได้หนึ่งคนมันสั่งอีกให้จีบสองคนถ้าไม่จีบจะกลุ้มใจอีกละที่มันจะสั่งเราทั้งวันนะดูตกคนที่ตกเป็นทาสเนะี่ยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนคอดูอยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยใจเรานี่ถุกปกถูกตับอยู่ทั้งวันความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยนะร่างกายของเรายังได้นอนพักแต่จิตใจได้แทบไม่ได้พักผ่อนเลย กลงคือก็ฝันต่ออีกนะเหมือนทรมานมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นในจิตใจที่ทุกข์มากจิตใจต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนบูกต่างตลอดเวลาเจ้านายมันโกมันตับตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเมื่อเราเป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาสอยู่ ได้ควายดูใจเราไว้นะใจเราเดียยเด๋ยวก็อยากไปนู่เ น, น <_ c> um> เดี๋ยวก็อยากไปนี่นะเดี๋ยวอยากคุยกับคนนี้เดี๋ยวอยากนู่อนอยากนี่ไปด <_ c> um> ้วยคิดว่าถ้าอยากได้อย่างนี้นะเราได้มาเราจะมีความสุขกิเลนมันหลอกเรานะให้วิ่งหาความสุขวิ่งทั้งชาติก็ไม่ได้นะความสุขอ่ะอย่าตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุขพอเรียนจบปริญญาตรีมันบอกสอนนะต้องจบโทถึงจะมีความสุขถ้าได้ด็อกเตอร์ยิ่งมีความสุขเลย พอเรียนหนังสือจบแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยในนี้ก็มีด็อกเตอร์หลายคนแนละ้วไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่มันสอนเราต่ออีกนะถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอ ะ, ยอะๆจะมีความสุขมีคำว่าท่าตลอดเลยนะถ้าได้ตําแหน่งใหญ่หญๆจะมีความสุขมีแต่คำว่าท่าเพราะฉะนั้นชีวิตนี่วิ่งหาความสุขทั้งชาติเลยนะไปถ้าได้มีครอบครัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดฉลาดจะมีความสุข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 วิ่งเหมือนจะหยิบได้นะเหมือนจะคว้ า, ามาได้แล้วก็เลื่อนหายไปหลุดมือไปไปรออยู่ข้างหน้าอนะีกค่ะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเรามาคอยรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยโ้หน้าเนี่ยอนาด น, น้ําตาแทบร่วงเลยนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันดีตรงไหนเร่เข้ารู้ไปเรื่อยๆนะรูปกายไปเออกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตนะุมีความทุกข์บีบทั้งตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีความไม่เป็นอิสระถูกกดขี่ถูกบังคับอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เจ้านายของตัวเองนะไม่ใช่เป็นอัตตาได้หรอกไม่ได้มีเจ้าครอเจ้าของกับมันได้เก้าดูเรื่อยๆนะพอดูไปเรื่อยๆจากไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงความจริงคือตัวปัญญาเราจะเห็นเป็นลําดับลําดับไปปัญญาเรื่องต้นเลยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงต้นทีเดียวก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก่อนร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรา แต่จิตใจดูยากว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่าน ถ, ถึงสอนบอก ว, ว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายกุธุชนที่ไม่ได้สดับหรือคนศาสนาอื่นก็ได้กุธุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเห็นอะคนนู้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่เหมือนกันเห็นได้แต่ท่านบอกกุธุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมของท่านเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา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 วิธีดูดจิตใจนะขั้นแรกง่ายที่สุดคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแรงจิตใจไม่เหมือนกันดูเป็นวันวันได้ก็ดูเป็นเวลาตอนเชา้าบางคนจะรีบ ม, มาสาราังชินนักเพื่อนไหมเพื่อนมาสายใจก็กลุ่มใจนะหงุดหงิดนะจิตใจหงุดหงิดหลวงพ่อมาใหม่ๆเริ่มฟังใหม่ๆตื่นเต้นฟังมาหลายนาทีชัดกจะง่วง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 มีความโลภความโกรธความหลงเรื่อแต่ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ในที่สุสดเราจะเห็นเลยจิตทุกชนิดเลยนะจิตที่เป็นกูศนก็ชั่วคราวจิตอับ ก, กูสนก็ชั่วคราวที่จิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแต่ไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกจิตที่ไปทางตาก็ชั่วคราวจิตที่ไปทางหูก็ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวอย่านั่นนงฟังหลวงพ่อพูดนี่เดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับไปสลับมาจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา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 แต่ถ้าจิตมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงเนี่ยสติถึงจะเกิดมันจะระลึกได้เลยเผลอไปแล้วนะเผลอไปแล้วนะรู้ตามหลังไปติดติอย่างนี้ตลอดเวลาการดูจิตดูตามหลังไปเรื่อยๆนะดูไปเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้เผลอไปแล้วรู้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้โกรธไปแล้วเมื่อกี้โลภไปแล้วคอยรู้คอยดูตามหลังไปเรื่อยๆอนยะ่างเช่นเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราปั๊บเนี่ยมันโกรธลนะโกรธรู้ว่าโกรธ รู้ว่าโกรธถ้ารู้ถูกต้องในความโกรธจะดับทันทีแล้วก็รู้อีกความโกรธดับไปแล้วถ้ารู้ไม่ถูกต้องความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธอยากให้หายโกรธนี่จิตมีโทส่อีกแล้วมีโทต่าตัวที่สองอันแรกไอโกรธไอคนที่ปาดหน้าเราอันที่สองโกรธตัวเองที่มันมีกิเลสโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นเราก็รู้ตามลงไปทีละขณะทีละขณะจิตใจตอนนี้กําลังโกรธความโกรธตัวแรกอยู่รู้ทันรู้ทันในความโกรธจะดับไปเลยจิตจะตื่นขึ้นมาเต็มที่ขึ้น นะคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้เรื่องยากอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆง่ายนะมันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่พวกเราได้ศึกษาอบรมสกวนมากก็คือคุณญาีิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีอันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะเริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเองบ็งควบกาหนดลมหายใจนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะพอกำหนดลมหายใจเหนื่อยจะตายแล้วนะ บางคนเดินชอปปิ้งเช้ายันค้ามไม่เหนื่อย เ, อเดินโจงกรมห้านาทีใกล้จะตายแล้วนะเหนือ่อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันดัดแปลงตัวเองตลอดเวลารู้สึกไหมมีคนเข้ามาหาพระเนี่ยพวกเราไปดูเห็นหมเราดูคนเอาน้ำมาถวายพระขณะที่เราดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยจิตมันหลงไปทางตา รู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหม น, นี่หัดดูเป็นอย่างนี้หัดดูลงปัจจุบันนะง่ายง่ายง่ายมากบางคนหลวงพ่อบอกง่ายมากหรืก็เลยบอกยากเยอะนะแต่ครูบาอาจารย์ทุกองนะที่หลวงพ่อเคยสัมผัสมาท่านบอกง่ายหลวงปูดูลย์ก็ว่าง่ายหลวงปูโโเทีหลวงปูติมอะไรนี้ว่าง่ายง่าย หลวงปู่สุวัตบอกง่ายง่ายท่านง่ายแล้วท่านยัเงียบเงียบเป็นนิดนึงนะแล้วท่านก็จะบอกว่าแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละทำไมมันยากเหมือนกันแหละเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เราเคยฝึกแต่จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจคืออัด ต, ตับกิลมัทฐานุโยกนะคือความฝุดต่งข้างบังคับตัวเองนะต้งเข้าใจส่วนทางสายกลางเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจต่างความเป็นจริง จิตใจจะมีความสุขรู้กายก็เห็นเออกายไม่ใช่ตัวเรารู้จิตจิตมันไม่เที่ยงเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันจบแล้วเนาะธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกนะครูบาอาจารย์บางองสอ น, นิดเดียวนะอย่างหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งกีดออกนอกตอนนิดเดียวนะอย่าส่งกีดออกนอกก็คืออย่าหลงอย่าเผลอนั่นเองไป ร, รู้สึกตัวไป หลวพอเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอเงี้ยผู้บาอาจารย์จริงๆแต่ลงงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงลนะไอ้หลงก็ตายไปเหมือนแมวมาจับหนูไปลนะจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกหลงพอเทศไม่เป็นนะเทศไม่เป็นหรอกธรรมดาจะสอนกรรมฐานสอนทีละคนสองคน ตอนให้หัดดูสภาวะหัดดูสภาวะเช่นขณะนี้ใจลอยไปแล้วก็หัดรู้ไว้นะขณะนี้เปลอไปแล้วนะขณะนี้สงสัยขึ้นมาแล้วรู้ไว้นะเนี่ยหัดรู้ขณะนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องรำคาญนะ้รู้ว่ารำคาญขณะนี้ชักซึมๆึมแล้วรู้ว่าซึมๆึมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆหลักจริงๆมีเท่านี้เองนอกกนั้นจะเป็นเรื่องวิธีการนะเป็นเรื่องอุบายแต่ละสำนักไม่เหมือนกันสำนักไหนก็ใช้ได้นะหลัก หยัดหลักให้แม่นแล้วทำกรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างใครหัดพุทโธล้วก็พุทโธของเราต่อไปพุทโธแล้วก็หัดรู้สภาวะไปนะเช่นพุทโธพุทโธใจเราแอบไปคิดแล้วพุทโธใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันแล้วใจหนีไปคิดแล้วนี่หัดรู้ทันใจตัวเองหัดรู้สภาวะพุทโธพุทโธไปใจสงบรู้ว่าสงบนี่พุทโธไปวันนี้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหัดพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันสภาวะในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย บนไหนหาดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปห้ามเลิกหายใจนะพยายามหายใจเข้าไว้ตลอดชีวิตหายใจไว้อย่าหยุดนะหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดหายใจแล้วจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขจนวันนี้หายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซานนะหายใจแล้วรำคาญหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น คนไหนหัดดูท้องของยุคก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามดูท้องของยุคไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกแล้วใ่หนีไปคิดก็รู้ทั น, นใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกใจเกิดกุศลเกิดนักกุศลอะไรก็รู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้นะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะหัดทําจ็นหวาขยับมือขยับมือไปก็ขยับต่อไปได้ไม่ห้าม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 สติจะเกิดเองเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะหัดดูใจใจวิ่งไปใจเพ่งใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็กุศลัองเปกุศลหัดรู้ไปด้วยนะต่มาเราเผลอๆเอนะช่นเราฟังข่าวโทรทัศน์แมเราเกิดไม่ชอบการเมืองนะฟังข่าวแล้วงุหงิดสติจะเกิดทันทีเลยความงุหงิดเกิดขึ้นแล้วสติจะเห็นทันทีเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นสติตัวจริงเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิด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 มีความสุขในการอาร่านหนังสือจะมีสมาธิในการอาร่านหนังสือมีความสุขจากการที่ได้รู้กายรู้ใจเราจะมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจจิตใจ จ, จะตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจสมาธิจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัญญาเนะพราะเรามีสติรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะจิตใ จ, จเราตั้งมั่นมีสมาธิตั้งอยู่ที่กายที่ใจตั้งไปนา น, านๆรู้ไปบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นความเป็นจริงของกายของ ใ, ใจ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 จิตมันจะรวมเข้ามานะมันรวมเองรวมเข้าอัปนาสมาธิเองนะแล้วมันจะตัดไม่ใช่โมเมเป็นพระโสดาบันตามใจชอบนะมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดอันนี้ทราบที่ทำตอนไว้ชัดๆนะ้วไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะมีเบื้องต้นมันจะเห็นเลยกายกับใจไม่ใช่เราเห็นเลยกายกับใจเป็นของที่ยืมโลกเข้ามาใช้เราไปยืมเข้ามาแต่เราโมยืมมาแต่หวงนะไม่คืนเจ้าของ คล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆก็มาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่หย่อคืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแพระโสถ า, าบันรู้แล้วว่ากายกระจไม่ใช่ของเราแต่หวงคอรู้ไปเรื่อยเลยโอ้กายนี้ทุกข์ล้วนๆหนิไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างจิตปล่อยวางความยึดตือกายได้จิตจะมาตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงนะส ว, งสว่างไสวอยู่มีความสุขอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อยวางกายได้นี้ภูมิของของ้านาาักคำอี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 เลยไม่รู้ว่าทุกขี่สุดในโลกทางกายเป็นยังไงทีนีพวกเราไปมาหาดูนะทุกขี่สุดในโลกทางใจก็คือตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละจะทุกขี่สุดในโลกใี้ดูพอเห็นว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆก็จะปล่อยวาง้ก็จะไม่ไปหยิบชวยอะไรขึ้นมาอีกเนะพระรู้แล้วว่ากระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดพิเศษที่สุดยังเป็นตัวทุกข์เลยบางท่านสติปัญญากล้า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 ไม่พ้นเลยจะทุกอย่างเดียวนะคอยรู้ไปนะไม่มีอะไรสอนเนะาะหลวงพ่อก็พูดส่งเดชไปเรื่อยๆแหลคนไปฟังหลวขพอที่เมืองการเมืง่งที่เมืองชนมนะก็ไปฟังซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันนะที่เกยียดฟังก็เอาซีดีไปฟังนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ละครั้งเนี่ยฟังครั้งเดียวก็พอละวหละหมาถึงฟังเรื่องเดียว ไปหัดเทปไว้ก็เอาไปฟังแล้วฟังอีงนะฟังจนเทปยืดแล้วจะตื่นขึ้นมาหลายคนที่ฟังฟังอยู่ม้วเดียวนั่นแหละฟังจนตื่นขึ้นมาคนฟังคนฟังซีดีดีฟังมันก็นานหน่อยนะมันสิบกว่าชั่วโมงฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมา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 แส่วนหนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่านยากอ่านยากฟัง c ีดีก่อนจะง่ายกว่าฟังไปแล้วก็ไปสังเกตใจต่อไปสักพักหนึ่งไปอ่านหนังสือโอ้จะเกิดความเข้าใจนะ c ีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนใครนะฟังแต่ละกสร้งฟังแต่ละกสร้งอ่านแต่ละกสร้งเข้าใจไม่เหมือนกัน <Yes. S 1> ปลาถาเลยนะ <Yes. S 1> ลองดูฟ <Yes. S 1> ังสติรอบหนึ่งรับรองปฏิบัติ แล้วก็มาฟังใหม่เข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกลองอ่านดูแล้วปฏิบัติแล้วมาอ่านใหม่รับลองไม่เหมือนเดิมมีเรื่องที่เราเคย อ, อ่านแล้วก็ไม่สะดุดตาสะดุดใจเนี่้าไปเยอะแยะเลยมันจะค่อยๆกระจางขึ้นทีละจุดทีละจุดค่อยๆฟังไปค่อยๆศึกษาไปไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงปู่เทศบอกว่าชีวิตเป็นของหาง่ายต้องรีบร้อนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจะทั้งชีวิตเลยค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแต่ไม่ขี้เกียจนะ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 เก็บกดเฉยๆดูด <Yeah. S 1> right, anyway. ีด <fuera> <Okay. S 1> like right? ูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอนรื่องหลวขพอเกยสารที่หนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆแลจะพูดยังไงละเห็นหน้าก็ตาลายละในเก็บไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกขวอมทายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของเัวเอง นั่งฟังหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากรับรองเลยไม่มีใครฟังหลวงข้อรู้เรื่องหรอกเพราะธรรมเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเอาเองอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านธรรมะตัวจริงเรียนได้ด้วยการเข้าไปสัมผัสเอาเข้าไปรู้สึกเอารู้สึกอยู่ที่กายก็เข้าใจความเป็นจริงของกายรู้สึกอยู่ที่ใจก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจต้องรู้สึกรู้สึกเอานี่ใจลอยไปแล้วรู้สึกเอานะ อ้าใครจะถามอะไรเชิญอ๋อเดี๋ยวหลวงพ่อต้องธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่นโน่นยากงั้นพวกหน้าซ้าตากจากที่นโน่นอย่าถามเลยนะไหนคนไหนยังไม่เคยไปเรียนหรือไปเรียนยากๆอ่ะนะอยากคุยกับหลวงพ่อก็ได้นะพวกที่ขับรถไปได้ก็ให้โอกาสคนที่เขาไม่มีโอกาสหน่อย บางคนบอกหลวงพ่อมาส่งร้องชาวลานคับเข้าใจผิดนะชาวลานทําแขนขายาวขับรถรถุดรัดรุดรัดเดี๋ยวเขาวัด น, นั้นวันนี้นะช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมยไปยากนะไม่เห็นใจมากเพราแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมยไปไปยากแนละ้วนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันลําบากครูบาอาจารย์อยู่ไกล อาเฉยไม่สิต้องเดินคืออย่างนี้การปฏิบัติที่บอกว่าอย่าบังคับหมายถึงว่าให้เรารักที่จะทำเหตุนะแต่อย่าอยากได้ผลเราต้องมีฉันทะเราต้องอยากปฏิบัตินะใจมันต้องมีความรักที่จะปฏิบัติ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 นะนี่เป็นอย่างนี้นะข้าราชการชั้นดีสมัยหลวงพ่อเรนะจะขึ้นรถเมย์ไปทํางานเห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยมีความสุขไหมเคยขึ้นรถเมย์ไหมนะมีเพื่อนร่วมทางห้าร้อยคนนะรอจะขึ้นรถขันเดียวกันเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขแนะรู้ว่าไม่มีความสุขนะขึ้นรถเมย์รถเมย์ว่างๆนะมีความสุขอัดนะดูอีกนีดูทั้งวันเลยนะตากระทบรูปนะตาไปมองเห็นอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่ใจเรานะ เห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวรู้ว่ากลัวแล้วต้องหลีกให้ทันนะไม่ใช่อุเบกขาหนะงโง่นะยืนให้หมากัด น, นะต้องหลบนะไม่ใช่อุเบกขาแบบควายนะสมัยศาสตร์ต้องเรียกอุเบกขาแบบควายนะฝนตกลังคาลวดเพรไม่ซ่อมบอกว่าอุเบกขาอนะไรเนะีนะ้ยต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแตลงรู้ทันนะจมูกได้กลิน่นนะ เช่นเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่อยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าเน่านะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิ้งจบมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามวัดในป่าได้กลิ่นเน่าเน่ารับราไม่คิดถึงจิ้งจบ ก, กับหนูนะสงสัยผีจะมาแล้วคราวนี้นะคราวนี้เปลี่ยนเป็นกลัวกลัวรู้ว่กลัวที่หัดดูไปอย่างเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่นก็รู้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปก็รู้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 นะการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตประจําวันเราไปเข้าคลาสเข้าวัดเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องเอาไปใช้ให้ไดนะ้วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะก็คือการดูจิตตัวเองนั่นเองเนะช็นคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเราก็รู้ว่าดีใจแล้วนะคนเขาว่าเรานะใจเราโมโหขึ้นมาเรารู้ว่าโมโหแล้วนะอยู่ในชีวิตธรรมดานะการปฏิบัติตไม่หนีออกไปจากโลกนี้เลยอยู่กับโลกนี้แหละ คนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยนะก่อนจะเรียนจะเป็นคนดีนะแต่เรียนแล้วจะชั่วสุดๆเลยนะเพราะอะไรเพราะแต่เดิมเนี้ยกิเลสอยู่ในใจเราเราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราดีแล้วแต่พอเรามาหัดรู้หัดดูมารู้ทันตัวเองนะจะร้ายมากเลยมีอยู่ทีมหนึ่งเขาตั้งชื่อทีมว่าสิบเอ็ดนางสาเอมาหัดดูสักพักหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดเพราะฉะ้นคอดูนะกิเลสเกิดทั้งวันเลย กูสนเกิดน้อยนะอะกูสนเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันถ้าเก็บกดนะไม่เป็นเข่งนิ่งๆชื่อๆ น, นะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนกิเลสไหม่ทาวท่านนะว่าท่านบอกว่าเมื่อเราเอเก็บอะไรขึ้นมาให้โลเรารวบโกรธไม่ต้องพลาไม่ต้องะไรนะ ม, มันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนเลย แล้วเราห้ามมันไม่ได้มันจะภาคภาคก็จิตมันฟุ้งซ่านไปก็ช่างมันนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได้ก็ตอนนี้กำลังสอบแล้วนะมันอดมันอดภาคไม่ได้ก็ช่างมันดูไปนะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภาคใช่ มีการดูรูปธรรมมันจะดได้ยากกว่าการนาอะไรน ะ, ะรนะการดู ร, รดูปให้เป็นรมาติจะดูได้ยากกว่าที่ทีนี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายที่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือส ม, มุิบัญญัดฝรั่งไม่เรียกมือเรียกแหนคนจีนเรียกชิ่ว่เงี้ย สที่ตาเรามองเห็นจริงๆก็คือรูปถามว่าตาเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้และตัวสีเนี่ยเป็นตัวรูปที่แท้จริงหรือตัวที่นั่งอยู่เนี่มีความรู้สึกตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรก้อนหนึ่งที่มันมานั่งอยู่นี้ที่มันมาเดินอยู่นี่แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขานี่ท้องอะไรนั่นเป็นอวัยวะต่างๆเป็นบัรจั ธาตุอาวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือาธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็คือาธาตุอย่างหนึ่งนะก็าธาตุจุมหนึ่งไม่ใช่าธาตุอย่างหนึ่งาธาตุจุมหนึ่งนะที่เราสมมติเรียกว่าผมขนะลเล็บฟันหนังก็คือาธาตุแต่ละกลุ่มแต่ลนะกลุ่มธาตุสี่นั่นเองในชีวิตจริงเราจะต้องรู้จุดใหม่ในในหลักฐานรูปคลิ้งนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้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 หลวงพ่อเข้าวัดป่าสมัยก่อนนะเข้าวัดไหนก็จะได้ยินครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าจิตผู้รู้นะเดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเนะี่ยเข้าไปที่ไหนจะยินเรื่องนิมิตรู้สึกไหมนิมิตไม่ใช่เรื่องจิตผู้รู้หลกมันเปลี่ยนเรื่องไปนะสมัยก่อนเข้าตรงไหนครูบาอาจารย์จะสอนแต่นื่องจิตผู้รู้มีจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูนี้ทําไมจิตถึงตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ท่านหาัดพุทโธหัดหายใจไปพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็เห็นเลยพุโทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า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 นะเพราะฉะ น, นการเห็นรูปการเจริญกายานุปัชนาที่จะเอามรรคผลนิพพานขนะ่วรจะทําสมาธิแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะมิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคริ้มงอกแงกงอกแง ก, งกไม่ได้กินหรอกนะขาสดสติดูปกติไปค่เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่นะเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูดูอย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือพอตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหู้ได้อยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทัน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 รักกาบคุณคุณต้องเป็นผ้าหนาักชาให้ได้ก่อนเออยงไม่เป็นไม่ละหรอกนะคุณก็เคยนะสมัยก่อนมีคล้ายๆอะไรนะเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะไปวัดด้วยกันะตอนนั้นหัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทพจุฬาอองนี่นแหละนะไปหาหลวงปู่เทพนะก็ถ า, ถามประโยคที่คุณถามเนี่นะคล้ายๆกัน หลวงปู่ครับผมจะละกามจะทํำยังไ <k> <l oman> งหลวงปู่ยิ้มบานนะแต่ท่านใจดีนะใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลยท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะเห็นลากามนี้มีทุกมีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นลากามมีทุกมีโทษนะต้องเป็นท่านนักชาถึง <l oman> จะเห็น <l oman> นี้ของเราก็คือบรรเทาความรุนแรงของมันจะตรรั้งขึ้นท่านแรกเลยมีศีลศีลสําคัญ น, นะมีศีลก่อน ถึงต้องการในการมกุณาลมรุนแรงแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลศีลนะเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา ส, สุดของมนุษย์แล้วนะถัดจากนั้นถ้ากามมันเกิดขึ้นเรามีวิธีจัดการหลายอย่างนะดีที่สุดเลยรู้ลงไปเลยว่ากามมันเกิดขึ้นคือนวะ่าวราคาเกิดขึ้นรู้ว่าราคาเกิดขึ้นราคาก็จะตั้งอยู่ดับไปให้ดูนะถ้าดูตรง น, นี้ไม่ได้ก็จะเห็นอีกนะมาดูที่กายเราก็ได้นะเห็นเลยกาม กายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งกามก็อยู่ส่วนหนึ่งจัดมันแยกๆแยกขันไปเรื่อยก็ได้หรือไม่ได้จริงๆเนี่ยเวลากามมาราค่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะชวนให้คิดมันจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างน้นอย่างนี้คิดจะไปหลอกเ้านะชอบนะเขาพามันคิดเลยคิดปฏิปุ้นคิดอสุภะอะไรอย่างนี้นี่เป็นการเตะผมออกไว้เรียกว่าสมถะธรระเพราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยสมถะก็ได้สู้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมทางจิตใจของเรา พอการมาราคาเกิดขึ้นรู้ทันมื่อการเกิดขึ้นการก็ตั้งอยู่ดับไปให้ดูจิตของเราเป็นแค่คนดูไม่ได้กระเพื่อนอะไรกับการเลยนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งสมมติผู้ไม่ไหวจริงๆแล้วทำสมถะสมถะที่เหมาะกับการสู้กามก็คือการจิตระนากรายลงเป็นปฏิปูลใยนสุภะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่าชอบสอนปฏิปูลิยนสุภะเพราะมันคมราคะาถ้าหนุ่มเน้นน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ ถ้าเกินไปพี่นาสุภะเนี่ยโอโนอนก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลยแต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกสุดคุณคือสิ้นไว้ต่มาหักเจริญสติฝึกให้สติตัวจริงเกิดนะวิธีทําสติให้เกิดก็คือหักรู้สภาวะไปนะเหลอไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดก็รู้ไปเรืนะ่อยๆนะแต่เป็สติเกิด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 นะถ้าพูดแบบภาษาวิจัยก็คือเราเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเราดูกายบางอย่างเท่านั้นอนะ่ะถ้าเข้าใจกายที่เราสุ่มมาเรียนแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกายทั้งหมดนะดูจิตใจก็เหมือนกันเราดูจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดยกตัวอย่างจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนมันคู่เดียวก็พอแล้วนะหรือจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะในสติปาาัฏฐานท่านจะสอนจิตไว้เป็นคู่คู่นึกออกไหมเด็ดคู่เดียวก็พอนะ ถ้าจิตที่ไม่มีราคากับมีราคานี่เกิดตลอดเวลาแล้วจิตก็มีสองกลุ่มเท่านั้นเองคือจิตที่มีราคากับไม่มีราคานี่แยกด้วยราคะถ้าแยกจิตทั้งหมดด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะถ้าเรียนจิตได้2ตัวนี้ก็คือเรียนจิตทั้งหมดได้หละนี่เรียกว่าจิตในจิตสุ่มตัวอย่างมาเรียนสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําก็คือจิตที่เผลอไปจิตมีโมหะแต่จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มีโมหะจิตที่เผลอที่หลงในเพอไหลแวบเราเกิดรู้สึกว่าไหลไปแล้ว เกิดจิตที่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวอีกแวบ๊บนึงก็จะไปอีกแล้วก็จะรู้สึกอีกนะสักพักหนึ่งตามรู้ตามดูไปนะบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็ดูไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดข้อสรุปจิตใจมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจนะจิตที่เผลอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของอกุศลและจิตเนี่ยห้ามมันไม่ได้นะจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของไฝ่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วย มีแต่เกิดแล้วก็ดับนะ ใ, ในที่สุดเลยรู้เลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะเรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะภาษาปลาเราเรียกว่ากายในกา ย, กายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมดไม่นะคุณเรียนแค่ว่าใจเราไหลไปแล้วเราก็รู้ทันต้อง ร, รู้ตื่นขึ้นมานิดนึงไหลไปอีกรู้ใหม่มีคนหนึ่งนะอาจารย์สุรวัตรเขียนหนังสือเรื่องนับหนึ่ง มีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอนะนั่นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆนะถ้าเข้าใจตรงนั้นนะเอามาทําได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เปลือนะถ้าแยกด้วยความหลงเนะี่ยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปังการฝังคําตอบนะถ้าเมื่อไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตคุณรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ความสงสัย น, นั้นแหละจะเป็นครูสอนธรรมะคุณหรือความสงสัยจะแสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้ดู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 เอดิปส like ิโกพึงกล่าวกับผู uh, ้อื่นว่ามาลองดูเถิดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัติดูนะวิธีลองทำยังไงโอปัยญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จแล้วจะมีปัจจดตังเวทิสัผโ่วินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะแล้วลืมตาไว ท้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินจงกรมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิเราชอบไปนั่งหลับตาเนะี่ยนั่งหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพิ่มง่ายนะยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆหน่อยนะฟังไปเดี๋ยวก็คำนับถ้าทําไปด้วยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหนมสดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีนะ เดี๋ยวนะ้เดี๋ยวตอนนะ้สติตัวจริงของคุณมันยังไม่เกิดขึ้นมาดงต้องค่อยค่อหัดสังเกต ส, กสภาวะไปเช่นพอคนเขาชมแ้วใจเราพองขึ้นมาก็รู้ถ้าเห็นอะไมันพองชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายไปคอยดูดูเล่นเล่นของคุณดูจริงจังเดินไปจริงจังเดินไปแล้วเคร่งครียดถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วรู้สึกเคร่งเครียดก็แสดงว่าทําผิดแน่นอน นะเพราะจิตที่มีสติจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะเบามันจะคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึ่งึืง น, นะงคิดแต่แก้ไหมอยากแก้ไหมรู้ว่าอยากมันอะไรนะ ติต้องเห็นเป็นทุกสิ์แล้วทำไมจะให้มันเป็นสุขหลักเพราะพระพุทธเจ้าบอกขันท่าเป็นทุกข์แา่ไม่ได้บอกว่าให้มันเป็นสุขนิดเห็นไหมพวกเราเวลาลงมือปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความจริงนะเราต้องการความสุขเห็นไหสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติธรรมคือความสุขความสงบความดีมีใครต้องการความจริงบ้าง ศา ส, สนาพุทธสอนให้เราเข้าไปสัมผัสความจริงนะสัจจะอริยสั จ, จคือความจริงของพระอริยะความจริงของพระอริยะก็คือกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์น่าจะอยากนะใจมันใจมันยังแข็งเกินไปรู้สึกไหมยังบังคับตัวเองอยู่แข็งเกินไปจิตที่แข็งเกินไปนะไม่เป็นกุศลแท้หรอกยังอยากปฏิบัติอยู่ไปรู้ทำตัวนี้นะ ที่จริงนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยความโกรธจะดับทันทีนะแต่ทําไมบางทีโกรธเราก็รู้ว่าโกรธล้วก็อยู่นานๆได้เพราะสติไม่เกิดนะในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ปับ๊บขณะแรกที่รู้นี่นะมันจะรู้ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นเราต้อจะหลงที่เราหลงไปคิดเรื่องเดิมอีกมันโกรธใหม่นะหรือพาเราไปเห็นความโกรธเนี่ยเราไปเกลียดมันอยากให้ความโกรธหายนะเรากําลังมีความโกรธเรามีความเกลียดให้ความโกรธตัวแรกอนะ งั้นจิตดวงนั้นที่เกิดขึ้นนะเป็นอาภูสุลจิตนะเพราะงั้นไม่ไม่หายความโกรธไม่หายเพราะเราเติมเชื้อของความโกรธลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดในอาภูสลจะต้องดับทันทีเลย เออเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงพ่อตอบเลยนะตอบรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเลิมโยกโยกเกิดอาการต่างๆน า, นานานะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหมนะไม่มันเดิ น, นเป็น<ม>เพราะว่าอะไรไ<ม><ด>รูร้ไ ห, ม, หมเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งๆิ่งลืมตัวแล้วรู้สึกไหมเวลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมหลงไปอยู่กับความคิด นั่งอยู่นี่ไม่รู้นะเนี่ยใจลอยแวบๆไปรู้ไหมอย่าว่าแต่นั่งหนึ่งนาทีไม่ได้เลยหลวงพ่อจะบอกความจริงให้ในเวลาหนึ่งหรือสองวินาทีนะรู้สึกตัวไม่ได้หรอกแวบบเดียวก็หลงแวบบเดียวก็หลงนะไม่มีหรอกนะว่ารู้สึกตัวห้านาทีไม่มีหรอกนะนาทีหนึ่งหลงตั้งยี่สิบผลทำไม่ได้เห็นไม่คิดจะทำเห็นไหม มันเป็นอัตตาเหรอถึงจะทาได้อยากหายไหมให้รู้ว่าอยากนะกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ตรงรู้ทันกิเลสเรานะอย่างเป็นต้นว่าเร า, านั่งแล้วโง่เงีงงเงี้งทำไมอยากหายอยากหายมีหลายวิธีเลยอยากหายรู้ว่าอยากหายไปใจเป็นกลางกับมั น, นแล้วมาดูซิทําไมมันโง่เงก้ยเพราะมันขาดสติการทําสมาธิต้องมีสติกํากับตลอดสายนะการปฏิบัติทำยิ้งสติไม่ได้ ถ้าเราทำสมาธิโดยทิ้งสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิสับปันเลยจะเคลิมๆ เ, เดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่น ะ, ะไม่เห็นก็บุญแล้วนะแค่เห็นด้วยตาก็กิเลสมาไม่ทันแล้วนะเห็นด้วยใจอีกยิ่งไปใหญ่เลย แต่ว่าสิ่งที่คุณปล่อยตอนนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณนี่มีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ส่วนนี้เป็นสัวที่แปลกปลอมขึ้นมาต้องปล่อยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการข่มใจไว้วก็ถูกเหมือนกันเออพูโทโธได้นะได้สมถะ นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุทโธหรือเราปกรธน้อปกดธน้อหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้ได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ดีแล้วยางน้อยก็ไม่ไปอบอายละเออดีนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกน <S <S กนละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วน ส่วนของสมถะกต่วิปัสนาสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สงบทําให้สงบนะเช่นจิตมีความโกรธขึ้นมาพุทโธพุทโธหายโกรธโกรธน้อโกรธน้อหายโกรธนี่แหละสมถะนะดีแบบสมถะนะวิปัสนาเนี่ยไม่แก้นะไม่บังคับไม่กดข่มแต่ว่าเรียนรู้ความเป็นจริงเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะตรวจถ้ามันไม่ได้ความโกรธเองก็ไม่เที่ยงเกิดที่แล้วก็ดับไปนะถ้าเรียนอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนามีสองอน ค, คุณรู้สึกไหมตรงที่มีสติอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่นิ่งอยู่ตลอดใจเรามีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่งดูออกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรากลัวจะเผลอกลัวจะหลงเราก็เลยสร้างความนิ่งคงที่ไว้อันหนึ่งเราจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปหมดรู ป, รปเกิดขึ้นมาแล้วดับเสียงมาแล้วดับนะกิเลสในใจมาแล้วก็ดับสิ่งที่ไม่ดับมีอันเดียวคือใจเราที่นิ่งนิ่งอยู่ โอ้ทานผ่านโสงไถทานเหมดแล้วนะใกล้เวลาเลิกแล้วแก้อีกแล้วะจะเรียนสมาธิหรือเรียนวิปัสสนาว่ามาเอาวิปัสสนาไม่แก่นะวิปัสสนาก็คือใจเราแข็งแข็งขึ้นมารู้ว่าแข็งแข็งนะหัดสังเกตตอนตื่นนอนนะพอตื่นนอนปั๊บเนี่ยพอเราคิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยใจเราจะตะดุด ก, กระดิกลุกคลิกลุกคลิกนิดนึงนะแล้วก็เข้าไปเกาะนิ่งๆไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นทางที่มันจะเข้าไปกเกาะเนี่ยมันจะไม่เข้าไป เอานี้เอานี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบ น, นะใส่มีซีดีแล้วเอาซีดีไปฟังนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งอนะตอบได้ทุกเรื่องไอ้ปังเรานะเอาวันนี้สดเปิดแก่เวลานะอ้าคืนกลับบ้านหลวงพ่อก็อไปมกัน